สังสารเรือัุอานิสตาเชิญยาเรื่อทั้งหลายทังเบื่อหายในสังขารองครัวถือมือลงมาขนาเท่าสังขารก็คือโลกโลกก็คือสังขารสังขารโลกโลกคือสังขารสังขารที่มีใจครองแล้วมีใจครองสังขารที่มีใจครองมนุษย์โลกโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ชักโลกโลกที่โลกอาศัยอยู่เทวโลก แ่กลามาพัสรหกชั้นสมุโลกรูปประภมจ็หกชั้นกับอรูปประพมสี่ชั้นจริงในนี้เป็นเื่องขานใส่รูปจริงที่ตุ่งแกงแทงสังขขึ้นเข่นรถเรือไฟฟ้าเป็นเื่องขารที่ไม่มีใจครองเกี่ยวแต่เฉพาะชัน้นดินหน้าไปรมเท่านั้นรถก็เหมือนกันเรือก็เหมือนกันเื่องยนต์กล็เ ม, มือนกันไม่มีวิญญาณ สังขารเหล่านี้กเกิดขึ้นแทบแปรปรวนและแตกสลายเหมือนกันมีอนันนีจังเป็นผลลัพธ์ความทุกข์สัมพยุทธ์ด้วยสิ่งไหนที่บัญญัติว่าสังขารสิ่งนั่นก็มีอันนีษษ้จาทุกขตาอนัตตาอยู่ในตัวถึงแม้สิ่งที่ไม่มียินยาณเขาจะไม่รู้ตัวประจาม้วยยานสัมพยุทธ์ที่ปัญญาและสติ มองเห็นถ้าพวกเรามาศาสดาเข้าใจว่าเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่เที่ยงาำว่าสิ่งไหนหมายถึงสังขารที่มีใจกองและไม่มีใจกองสิ่งไหนไม่เที่ยงคีอนั่นเป็นทุกข์คือนั่นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดตามเช่นต้นไม้ชักญ้าที่เกิดขึ้นติดตามสภาพเดิมเด็ดเผาค่อยเฉาไปไหม้ก็ไหม้ไปเมื่อสิ่งเหล่านั้นผิดปกติพิชภาพที่ตั้งอยู่ ก็จะว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมดถ้ว่าสิ่งใดในเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หมายถึงมีมีใจคลองและไม่มีใจคลอ ง, ลองถึงแมื่อสิ่งเหล่านั้นจะไม่รู้ตัวเป็นทุกข์ก่อตามกจะเป็นทุกข์หมดเมื่อพิจารณาทุกเป็นอารมณ์หรือพิจารณาอานิจจังเป็นอารมณ์หรือมีพิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์ก็มีความหมายอันเดียวกันก็นให้ด้วยนายอนิจจัง เมื่อหันเบื่อนายเมื่อเบื่อหนอันทิ่จังก็เบื่อหนทุกครั้งอยู่ในตัวก็เบื่อนอ า, ายอนัตตาอยู่ในตัวนานาทาตุญาณัพระบรมศาสนารูรทธาตุต่ตางๆธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีพระนิพานธาตุอรหัตธาตุก็คือพรนิพพานธาตุนิพพานธรรมนิพพานขันธ์นิมุตติขันธ์นิมุตติอาณาัสนะขันธ์ คำว่าขันไม่ได้หมายความว่าแต่ขันในรูขันนามขันนอกรูขันน้ำขันไปโ็ปัญญติว่าขันเหมือนกันมีมุติญาณในทัศนขันมียานพิเศษว่าหลุพ้นนั่นเป็นมีมุติญาณในทัศนขันมีมุติขันหมายความว่าลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วมียานพิเศษออกไปอีกว่าลุดพ้นว่ามีมุติญาณในทัศนคติขันชั้นห้าก็เรียบ เขเป็นแก่นเป็นสารในทางที่ไม่เกิดใม่ดับอินทรีย์ก็เหมือนกันอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ตามกว่าพระนิุพานลงมาเป็นอินทรีย์ที่เกิดที่ดับโลกุตระอินทรีย์ม้แต่ผสมตาบันขึ้นไปจนถึงอนาคาไม่ผลแล้ว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในพรผสมตาบันเป็นใหญ่นี่จกราทำมีเป็นใหญ่นอนาคาไม่เป็นใหญ่ไหมส่วน ถ้าอาหารเป็นอินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธรรมายะสนะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นปัญญาเวมุตดที่ไม่เกิดไม่ดับหรือเป็นเจโตเวมุตดที่ไม่เกิดไม่ดับเวมุดในปัสสาวะบันตัวนี้เวมุดมุดพ้นสั้งโฆสามรัตถาคามีก็เหมือนกันแต่ว่าเบากว่ากันอนาคามี ถึงไปกว่ากันอาหาหะหันมดรารเจนมวมุดเจมผูที่ได้ตามกว่านั้นลงมาเป็นโลกีนั่นไม่ได้หมายว่าวิมุดแต่ทั้งคำเวมุดคนชอบข่าวจัดเป็นโลกีมิคำพนานวมุดคนด้วยจะกดไว้เหมือนธีรทรัพยา์าก็จัดเป็นโลกีนิพพานะเวมุติคนด้อย อ, อกออกไป ค้นด้วยหลีกไปค้นด้วยขาดไปปฏิปัสสัตที่ไม่มุดสมุดเข็มทวีมุติคนหน่วยเด็ดขาดทีมุดสองข้อเบื้องปลายเ ป, ลเป็นโลกุตระสามข้อเบื้องต้นเป็นโลกีพอกธาตุอื่นๆเขาก็เรียกอนุตมือนกันแต่มันเป็นโลกีมันกำเริบขึ้นเป็นกุปปธรรมเป็นกุปปาธาเพรากำเนิดขึ้น มีมุตในปัสสาวับานในกำลิกขาดไปตัดเป็นดันตอนไปเ น, น, นี่ยเป็นบคืนมีนมุตในสักทาคามีอนาคามีตรง น, นั้นกันมีมุตในพละหันจ บ, บว่าจบจ บ, จบบริบูรณ์ในกําำลิกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยบุคคลผู้มียาเนาื้นอเมื่อน่ายทายมงมาในสังขานทางปวง แล้วก็รุดทนจากสังขารทางปวงโดนสินเชิงไม่เหลือสิ่นั่นั่นเป็นริมุตในทางโล ก, กุตระมิมุตทางปวงที่เป็นโล ก, กีเป็นเมืองขึ้นของของอรหัตผลถึง ม, มาเปนบ้านเป็นเมืองกระจางก็เปลี่ยมนมนว่านมือนเมืองก็เข้าใจง่ายเหตุเช่จึงให้ภาวนาสังขารก็เพราะหลสังขารที่ไม่แก่คลองแล้วไม่มีแก่กลอง ถาต่างคนก็ต่างยึดถือเอาของใครของมันความเป็นจริงสังขารต้องของว่างมันอยู่ในวงแขนของใครทำศาสตรเกิดฝ่ายดับก็เป็นของว่างอรอเนกบังคบสังขารจริงที่ไม่ยอมให้ว่างก็เป็นเรื่องของโมหกิเตอันมีใจหลงไปยึดถือต่างหานที่ได้ยืนยันว่าของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลได้ได้เสียเสียเหตุเหตุตรรมกรรวิบาก ผลของเหตุผลของกรรม้นของเวบาะวนกันอยู่เพราะเหตุใดก็เพราะมีอุปทานเข้าไปยึดถือเมื่ออิมีอุปทานเข้าไปยึดถือก็เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นเวบากวนกันอยู่เหตุไหนจึงไปยึดถือก็เพราะอวิชชามีกําลังโมหะมีกําลังสติปัญญาไม่แข็งแกร่งสติปัญญาเหนืออวิชชาเหนือความโง่จึงสามารถจะรับข้อกัดกับความโง่ของ แต่ละลายละลายได้ความปฏิบัติชัดความโลชัดความรุ่นพ้นชัดจึงจะไม่ขบคืนทัศนานุตตระเห็นเยี่ยมปฏิประธานุตตระปฏิบัติเยี่ยมนิมุตตานุตตระความพ้นก็เยี่ยมเห็นเยี่ยมเฉยเฉยปฏิบัติไม่เยี่ยมก็ยังมีอวิชาันหาอุปทานอยู่อีกท้งเห็นเยี่ยมด้วยทั้งปฏิบัติยเยี่ยมด้วยทั้งรุ่นพ้เยี่ยมรวย ดัง น, นั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าเราไม่ถือว่าบุคคลผู้มีผู้บริสุทธ์ด้วยผู้รู้ผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นข้อวัตเบื้องต้นให้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นรู้่าอาหารเห็นว่าอาหารแต่ยังไมา่ทันดื่มแต่ยังไม่ทันเคี่ยวแต่ยังไม่ทันทานยังไม่ทันกิน อาหารจะควรเที่ยวก็ต้องเที่ยวคนดื่มก็ต้องดื่มเพราจัดว่าเป็นแต่เห็นเยี่ยมเฉยเยมื่อทานพอดื่มพอกินพอจริงจะลดพ้นจากความหิวพอแต่อาหารภายนอกมันกลับหิวอีกมันไม่เหมือนธรรมะมันมันไม่เหมือนทำอันไม่ตายลมหายใจออกเข้าเป็นกายสังขารหายใจเข้าเป็นสังขารรอบหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งอีกเหมือนกัน เป็นอนิจจังรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นทุกครั้งรอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นอนัตตารอบหนึ่งอีกเหมือนกันเป็นธาตุ อ, อ, อ, ายยาาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันคือวายโยธาเป็นธาตุลูกอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าลูกว่าลมเข้าลงออกผู้ลูกที่มีอุปท า, านที่มีผู้เข้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้กอนนั้นก็ยังมีอวิชชาตัะหาอุปท า, านยึดถืออยู่ห <c oughs> <c oughs> นูหนูเสลือ นะไปเราจริงน่ะเคยไปเคยมาใครเป็นผู้รู้อนิจจังใครเป็นผู้รู้ทุกขังใครเป็นรู้ผู้รู้อนัจตาที่กลมกลืนกันพร้อมกันในขรั้เดียวทั้งสามการรู้อนิจจังเขาชอบกับว่ารู้ทุกขังก็เท่ากับว่ารู้อนัจตารู้อนัตจาก็เท่ากับว่ารู้อนิจจังก็เท่ากับวว่ารู้ทุกขัง รูทุกครั้งก็เท่ากับว่ารู้อานาจากัเท่ารู้เท่ากับว่ารู้อนิจจังมันดึงกันอยู่เห็นหน้าก็เห็นผ้ากับว่าเห็นตาเห็นจมูกอันเดียวกันอยู่ที่แห่งเดียวกันถ้าทำประยุกต์กันอยู่เห็นหนังก็เห็นเนื้อเห็นเอ็นเหมือนกันก็อาศัยเชื่งกันละกันเห็นดินก็เห็นน้ําเห็นไฟเห็นลมเหมือนกันเพราะมีเท่าธาตุดินน้ําไฟลมเป็นฝ่ายรูปเป็นฝ่ายรูปขัน ดินเป็นธาตุชนิดแข็งน้ำเป็นธาตุชนิดเต่มชาบลมเป็นธาตุชนิดที่พัดไปมาไฟเป็นธาตุชนิดอบอุ่นเป็นทั้งร้อนจนทั้งเผาหายไหม้ดินน้ำไฟลมแยกกันออกเพื่อให้รู้ชัดแต่ความนจริงมันช้ำประยุกต์กันอยู่เลยไฟฉายก็มีทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลม น้ำประยุกกันอยู่ลมก็อยู่ที่ช่องว่างเอากาศถ้าที่น้ำที่ส้ำประโยชน์อยู่กับไฟฉายถ้าเผาจนให้ไหมก็สามารถไหลเหมือนกันธาตุไฟเอาไฟฉายต่อไฟสายสีกันก็เกิดร้อนขึ้นเหมือนกันถ้ามีความอบอุ่นนี่มีธาตุแลร้อนนี่ที่นั้นดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเป็นของว่างอยู่ตามธรรมชาติ ของว่างอยู่ตามสมมุติเชิญที่ไม่ว่างก็เมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งไหนที่ไม่ที่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็ไม่เป็นของว่างเพราะมีผู้เป็นไปห่วงเห็นสิ่งนั้นก็ต้องมีราคาสิ่งนั้นก็เกิดเป็นของข้าของเจ้าของข้อยของเธอของศาลของท่านก็เกิดเป็นของมีราคาห่วงห่วงเข้าเป็นสมบัติพัชฌานจะอาศัยอันนี้จังอนนี้จังก็เป็นของไม่เที่ยบ จะอาศัยทุกข์ก็เป็นผลของอนิจจังจะอาศัยอนัตตาก็เป็นผลมาจากทุกข์อีกเหมือนกันถ้าลึกกว่ากันลงไปอนิจจังเสียบเหมือนน้าบอ่อี่ขุดตื้นทุกขรังขุดลงไปลึกกว่านั้นอนัตตาก็ขุดลงไปลึกกว่านั้นเป็นบ่ออันเดียวกันเป็นเพียงขณะกิตเห็นลึกกว่ากันเท่านั้นเพราะโยงกัน ทำไมถึงว่าอนัตตาเพราะแย่งต่ออัตตาทำไมถึงว่าทุกเพราะไม่อยู่ตามสภาพเดิมทีนี้ใครเป็นเจ้าของอนิจจังใครเป็นเจ้าของทุกขังใครเป็นเจ้าของอนัตตาใครเป็นเจ้าของธาตุต่างๆใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครเป็นเจ้าของปัจจุบันเพสมมุติกันใช้อยู่ในโลกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของทีนี้ค่านมาในมาเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันด้วย มันจะเป็นเปรตข้าอดีตมันเป็นเปรตข้าอนาคตมันเป็นเปข้าปัจจุบันด้วยทำไมถึงพิจารณาร่างกายเพราะมันหลงร่างกายมันหลงยึดถือเอาดินน้ำไฟลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นจาตเป็นบุคคลความหลงใหญ่ใหญ่มันมีอยู่สี่อย่างหลงสิ่งที่ไม่สวยเราเป็นของสวยหลงของวัจถกูลเราเป็นของสวยของป่วยเน่าว่าเป็นของสวยหลงเราเป็นของเที่ยงด้วย หล ว, ว่ลาเป็นตัวหลงว่าเป็นตัวเป็นตัวด้วยนี่ปัญรากะนี่ปัญญามีความเข้าใจติดสี่ข้ออใหญ่ <c oughs> ที่ผูกมัดรัดลึงสัตว์ทั้งหลายอยู่เพราะแก้ปัญหา ย, ยังไม่ตกทําไมถึงมีปัญหามากทําไมถึงท่องเที่ยวในปัญหามากเพราะความสัดข้องจ้องการ เขยังไม่เหมือไม่นายไม่ทายปัญหาก็มากเขยังไม่เห็นโทษพอปัญหาก็มากเมื่อเห็นโทวโทษในการยึดถือปัญหากว่ามากเมื่อเห็นโทษในอุปาทานเมื่อเห็นภัยในอุปาทานอุปาทานเนงนเจตราเมื่อเห็นภัยในการยึดการถือเละอวิชาก็เบาลงกัญหากเบาลงความทะเยอยวยาในโลกทั้งปวงก็เบาลงทุกทั้งหลายก็เบาลง ส่วนที่จะขาดมันขึ้นอยู่กับปัญญาและสติที่เห็นชัดหรือไม่ชัดเห็นชัดด้วยรู้ชัดด้วยปฏิบัติชัดด้วยพ้นชัดด้วยสังขันไม่มีข้างหน้าข้างหลังไี่อยู่ทุกการศีลสมาธิ ป, ปัญญาก็มีอยู่ทุกการเวลาพิจารณาอนิจจังอยู่กด็ดีทุกอยู่กด็ดีพิจารณาทุกอยู่กด็ดีพิจารณาอารตาอยู่ก็ดี นิจนคุณของพระพทธธรรมประสงค์คลมกลนกันอยู่ก็ดีนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญานั่นคือตัวสัมมาทิฏฐิในชั้นนั้นนั้นสัมมาทิฏฐิของพระสวสดาบันขึ้นเป็นโลกุตรสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิของพระสัททะคามีสูงไปกว่านั้นละเอียดกว่านั้นสัมมาทิฏฐิของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกแยกพาไปกว่นั้นอีก สัมมาทิฏฐิของพระอรหันต์เป็นมหาสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแล้วเห็นชอบในการบุญพ้นแล้วเห็นชอบในการปฏิบัติมาเหมือนกันเห็นชอบในอริยสัจสี่ชัดแล้วทุกเรื่องของกําหนดรูกก้พอรู้แล้วก็ได้พิจารณาแล้วก็ได้ละแล้วชัมือไทยเป็นของควรละพ็ได้ละแล้วนิโรธเป็นของควรทาให้แจ้งก็ได้ทําให้แจ้งแล้ว นักหลวงข้อปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วสัจจะยานปิยาปีชาอย่างรู้อริยสัจจิจยานก็บริบูรณ์แล้วกัตยานได้ทําเสร็จแล้วยาตรปิญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีละนัปริญญากาหน ด, ดด้วยการพิจนะ า, า, ารณาปหาละปริญญากําหนดด้วยการคลายเมาเสิยมันก็เป็นทำใมจักรพรัดินะสูตรอยู่ในตัว ถ้าจากกัวตฒนสูตรก็มีรูปขันนามขันชาติพิทุกขาชราพิทุข า, า, า, ขามรนาพิทุขังเป็นรูปขันเนี่ยโต๊ะกบดีเทวชุกตโ ท, โทมนัฐอุปายาสาปิทุขาอภีสัมปโยโพตโขอภียัมปโยโพตุโขยมปิตังณะลาิตตมพิทุขังอันนี้เป็นนามขันที่อิงกิเลสเมื่อนามขันอิงกิเลสมันก็ไปอิงกับรูปขันอีกเหมือนกันมันไปยิดรูปขันอีกเหมือนกัน มึกจะว่ารูปประธาอรูปประธาถูกนึกจะว่ารูปธรรมอรูปประธรรมถูกนึปปกจะว่ารูปขันอรูปประขันถูกนึกจะว่ารูปประอินทรียอรูปปอินทรีถูกเพราะเป็นใหญ่ในรูปเพราะเป็นใหญ่ในนามเป็นใหญ่ในเพียงนั้นแต่ใครเป็นเป็นเจ้าของรูปแต่ใครเป็นเจ้าของนามนามและรูปอยู่ในวงแขนทนัานเทาใด นามก็เป็นแต่สาวกนามมีตามเดิมรูกก็เป็นแตาวกลูมีตามเดิมตามเป็นจริงตามเป็นจริงของธรรมชาติสมมุติก็เป็นจริงตามสมมุติมีมุติก็ตามเป็นจริงของมีมตุติแต่สมมุติอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของสมมุติมีมุติอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของมีมุดนั่นก็โดยในเดียวกันเหตุฉะนั้นจิงตรงกับคำ ว, ว่าสัพเพธรรมานาจติ ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อตอัวตนหรอกเพธอทั้งหลายจงหนายความเมาความหลงของตนเสียดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดีเป็นของว่างอยู่ตามธรรมชาติของว่างอยู่ตามสมมตุติส่วนที่ไม่ว่าก็เมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งไหนที่ไม่ที่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็หมายถึงของว่างเพราะมีผู้เป็นตองหังเห็นสิ่งนั้นก็ต้องมีราคา ทีก็เกิดเป็นของข้าของเจ้าของค่อยของเธอของฉันของท่า น, นก็เกิดเป็นของมีราคาหัวห่วงห่ว ง, งเข้าเป็นสมบัติพัชฌานจะอาศัยอานิจจังอนิจนจังก็เป็นขผลมาเทีย่ยงจะอาศัยทุกข์ก็เป็นผลของอานิจจังจะอาศัยอนัตตาก็เป็นผลมาจากทุกข์อีกเหมือนกันถ้าลึกกว่ากันลงไปอานิจจังเสียบเหงือนน้ำบอกที่ขุดตื้น ทุกขังขุดลงไปลึกกว่านั้นอนัตตาก็ขุดลงไปลึกกว่านั้นเป็นบอกอันเดียวกันเป็นเพียงขณะกิดเห็นลึกกว่ากันเท่านั้นเพราะโยงกันทําไมถึงว่าอนัตตาเพราะแย่งต่ออัตตาทําไมถึงว่าทุกเพราะไม่อยู่ตามสภาพเดิมที่นี่ใครเป็นเจ้าของอนิจจังใครเป็นเจ้าของทุกขังใครเป็นเจ้าของอนัตตาใครเป็นเจ้าของธาตุต่างๆ ใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครจะเป็นเจ้าของปัจจุบันก็สมมุติกันใช้อยู่ในโลกเป็นทำไมชาตะอย่างหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้พานมปในมาเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยน่าจะเป็นเปรดยเท่าอดีตไม่เป็นเปรียเท่าอนาคตไม่เป็นียเท่าปัจจุบันด้วยทําไมทั้งพิจารณาร่างกายเพราะมันหลงร่างกายมันหลงเยื่ถือเอาดีนหน้าไปหลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นฉัเป็นบุคคล ความงไงไหลงใหญ่ให่มันมีอยู่สี่อย่างหลงสิ่งที่ไม่สวยว่าเป็นของสวยหลงของวัจถุกูนเราเป็นอของสวยของป่วยเน่าว่เาเป็นของสวยหลงเ่าเป็นของ เ, เที่ยงด้วยด้วยเราเป็นตัวหลงเ่าเป็นตัว เ, เป็นตนด้วยนี่ปันญาะกนี่ปันญามีความพอใจผิดสี่ข้ อ, อ ที่ผูกมัดรัดลึงสัตว์ทั้งหลายอยู่เพราะแก้ปัญหายังไม่ตกทำไมถึงมีปัญหามากทำไมถึงท่องเที่ยวในปัญหามากเพราะความขาดข้อจ้องการเพราะยังไม่เมื่อไม่หายไม่คลายปัญหากวมากเพราะยังไม่เห็นโทษพอปัญหากวมากเมื่อเห็นโทษโทษในการยึดถือปัญหาก็ม่มากเมื่อเห็นโทษในอุปปาทาน เมื่อเห็นภัยในอุปทานอุนปาทานนนาเจตสาเมื่อเห็นภัยในการยึดการถือเ้ี่ยวิชาก็เบาลงตัญหาก็เบาลงความทะเยอทะยาในโลกทั้งปวงก็เบาลงทุกทั้งหลายก็เบาลงส่วนที่จะขาดมันขึ้นอยู่กับปัญญาและสติที่เห็นชัดหรือไม่ชัดเห็นชัดด้วยู้ชัดด้วยปฏิบัติชัดด้วยพ้นชัดด้วยสังขานเลยมีข้างหน้าข้างหลัง มี่อยู่ทุกการศีล ส, สมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกการเวลาพิจารณาอนิจจังอยู่กด็ดีทุกอยู่ก็ดีพิจารณาทุกอยู่ก็ดีพิจารณาอรัยตายอยู่ก็ดีพิจารณาคุณของมพุทธธรรมประส ống, คงค์คลมกลนกันอยู่ก็ดีนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญานั่นคือตัวสมาธิิในชันน้นนั้นสมาธิเพราพระสวสดาบัลขึ้นเป็นโลคุตรสมาธิ น้ำมาทิติของพระเจ้าคามีสูงไปกว่านั้นละเอียดกว่านั้นส้ำมาทิฐิของพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นอีกียกพาไปกว่งนั้นอีกสัมมาทิฐิของพระอรหันต์เป็นมหาสัมมาทิฐิเห็นชอบแล้วเห็นชอบในการมุตพลแล้วเห็นชอบในการปฏิบัติมาเหมือนกันเห็นชอบในอริยสัจสี่ชัดแล้วทุกข์เป็นของกําหนดรูกก้พอรู้แล้ว ก็ได้พิณาเลยก็ได้ละแล้วสมุทัยเป็นของควรละพอได้ละแลยนิโรธเป็นของควรทําให้แจ้งก็ได้ทําให้แจ้งแล้วนับเป็นข้อปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติแล้วศัจยานปิยาปิชาอย่างรู้อริยสัจจิตยานก็บริบูรณ์แล้วกัตยานได้ทําเสร็จแล้วยาจะปริญญากําหนดรู้ด้วยกันรู้ ตีแล ations, ah ari, ้วนะปัญญากำหนดด้วยการพิจารณาทหารปริญญากําหนดด้วยการคลายเมาเสียมันก็เป็นธรรมจักกัพวัตนสูตรอยู่ในตัวธรรมจักกัพวัตนสูตรก็มีรูปขันนามขันชาติพิทุกขาชราพิทุขามรณะพิทุขังเป็นรูปขันเนี่ยโสกปริเทวะชุกโทมณอุปายาสาปิทุขาปีรยสัมปโยโพตุโขปีรยสัปโยโพตุโข ย่มปิดฉากแลปฏิทำปิทุกขังอันนี้เป็นนามขันที่อิงกิเลสเมื่อนามขันอิงกิเลสมันก็ไปอิงกับรูปขันอีกเหม UM ือนกันมันก็ยึรูปขันอีกเหมือนกันหรือจะว่ารูปประทัดอรูปประทัดก็ถูกหรือจะว่ารูปธรรมอรูประธรรมก็ถูกหรือจะว่ารูปขันอรูประขันก็ถูกหรือจะว่ารูปประอินทรียอรูประอินทรีย์ก็ถูกเพราะเป็นใหญ่ในรูปเพราเป็นใหญ่ในนาม เป็นใหญ่ได้เพียงนั้นแต่ใครเป็นเป็นเจ้าของรูปแต่ใครเป็นเจ้าของน้ำน้ำและรูปอยู่ในวงแขนท่านผู้ใดน้ำก็เป็นแต่สัวพานามีตามเดิมรูปก็เป็นแต่สัพพารูปีตามเดิมตามเป็นจริงตามเป็นจริงของธรรมชาติสมมุติก็เป็นจริงตามสมมุติไม่มุติก็ตามเป็นจริงของไมมุติแต่สมมุติอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของสมมุติ วิมุตต์อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดใครเป็นเจ้าของวิมุตต์นั่นก็โดยในเดียวกันเนีนฉะนั้น จ, งจงึงทรงบอกคมว่าสัเพทรรมาอนัจติทำทั้งหลายทาั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดอกเพื่อทั้งหลายจงนายความเมาความหลงของตนเสียบรุรุษมัสาสดาบุรุษมัสสาสดาทีนี่เอตระคะนัสสุเจงรูปังอนิจจังหมายถึงมีน้าใจรุร่งมสุกันเป็ายเดียวกว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามก็มีรูป ก, กับนามเหมือนกันกตธรรมาจา ก, กปปวชนะสูตรที่นี่อาิตต์ปริอาทิตต์ปริยายาสูตรตาหูจมูกกลิ้นกายจัดเป็นรูปขันใจจัดเป็นนามขันราคขินาโทชักขินาโมหขินาเกิดขึ้นเพราะยึดเพราะยึดถือ ร, รูปขันนามขันก็มีความหมายเดียวกันท <c oughs> ี่เกิดเป็นไฟขึ้น ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะขึ้นมีความหมายอันเดียวกันเป็นไฟแต่อาทิตย์ภริยา ย, ยสูตรหรืออนัตตลักษณะสูตรไม่เป็นไฟหรือถ้ากําหนดรูปถ้ายึดถือรูปเวทนาสัญญาสังญาณยินญา น, ย น, ยานก็เป็นไฟอยู่ในตัวนันต่างเพราไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันเก่าทำมาจา ก, กับวัจนะสูตรของหลงพันธ์กมฐานในพระพุทธศาสนาถึงจะมีมากมายเป็นกายเป็นปองก็ตาม รวมเข้าลงมาก็มีลูกกรมมฐานอรูปกรมมฐานเท่านั้นฐานสองอย่างนี้ใต้อํานาจอนิจจังแล้วเกิดขึ้นแนบแปลโพลและแตกสลายเมื่อพี่เห็นอ น, นิจจังก็ต้องเห็นเส ม, มอหน้ากองเหมือนกันไม่ไหวหน้าใครเลยเมื่อยกเว้นชั้นวันลนะเมื่อเห็นทุกเมื่อพิจารณาทุกก็ต้องเหมือนหน้ากองสมกับข้ากันหมด เมื่อพิ่เจงาอนาจาก็จองเสมติภาคกันหมดจนคลองว่างทั้งอนิจังทั้งทุกครั้งอนจังอนาตาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของทั้งสมมุติด้วยทั้งมิมุตดด้วยมิมุติก็ไม่ได้อยู่ในวงแสวของสันผู้ใดสมมุติก็ไม่ได้อยู่ในวงแสวของสันผู้ใดอ้ออันเดียวก็ทับสังขารและวิสังขารมีอยู่ในวงแหนของสันผู้ใดนี่ทำให้ชั้นสูงเหงตุเชนั้นเศรประชานชีกายายนุกัตฉนาเวชนาลูกัตฉนา ที่เกิดนาตายเป็นอารมณ์เป็นเจตสาวว่ากายที่จกิดนาเวทนาเป็สุขทุกข์แล้วมาสุขในทุกข์เป็นอารมณ์เป็นแจตสว่าเวทนาถ้าเป็นของว่ารูปก็เป็นของว่าเวทนาก็เป็นของว่างที่ฉัญญาสันขานยัญญาหอนี่จิตก็ดีทำที่เป็นคู่กับจิตก็เป็นของว่าเพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่นีแต่สิ่งที่ไปยึดถือก็เพราะเหตนใดเพราะยังหลงอยู่จึงไปยึดถือ เพาะอำ น, นาของความหลงมันเป็นเพราะของเรากรรมคชินมานานหลายภพหลายชาติมหาสติมหาปัญญาเนี่ยแข็งแกร่งมันก็ไม่หลุดไปมันก็ไม่ขาดไปชัดช่างหลไรกว็วนเวียนกันอยู่วัตวนสามกิเลสเกิดขึ้นพระก่พาให้ทํากรรมกรรมเกิดขึ้นเพราะในรักบิบารของกรรมเมื่อรับวิบารของกรรมแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นเองกิเลสขึ้นด้วยเราโดยเขาโดยสัตว์ดวยบุคคลเอง ด้วความยึดถือด้วอุปาาอ ท, าทานผู้เสียงกินรถผลธิพระธรรมลงพรอันเดียกันถ้าไม่ไม่มีใครเป็นผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็มาเป็นพิษกิริยาที่ไปยึดถือก็มาเป็นพิเดันกิริยาที่ไม่มีความหลงสมประยุทธ์ความเ ท, ทยทะยานในโลกทร้างปวงก็คือเยอทะยานในรูป ก, กํำนาม น, นั่นเองก็คือทะยานในดินน้ำไฟลมนั่นเอง ก็คือท า, ายาทยาในเวทนาทาญาสงขาร ย, ยานนั่นเองคนวางความปล่อยก็ปล่อยอันนี้ปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ปัญหามันก็น้อยลงปฏิบัตเิเพื่อราบเพื่อยศเพื่ออะไรต่ออะไรปัญหาความหักขึ้นเมื่อปัญหาน้อยลงก็แก้ง่ายสติปัญญาก็เกิดเ ม, ม, มื่อเมื่อนุ่งมุ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพพสมบัติอยู่ปัญหาขอแก้ายากถ้ามุ่งนิพพานสมบัติแห่งเดียวปัญหาขอแก้ง่าย เพราปัญหานอตเบรของเบาซึ่งง่ายด้วยมีหลักอันใหนที่จะปรารถนามีหลักอันใหนที่ไม่พอใจในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นหลักก็เพราะมีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบั ต, มมติพงศสมบัติก็มีแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยถ้าไม่เที่ยงด้วยทั้ง็นทุกข์ด้วยถ้าไม่อยู่ในอำนาจราชฐนานของใครด้วย อนัตตาในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นช่องทางไม่เหมือนอ น, นิจจังและทุกขงังเนิพานไมาได้บัญญัติว่าอนิจจังทุกขงังบัญญัติอนัตตาสิ่งเดียวอนัตตาธาตุอนตธธัอนตตธรรมอนัตตาขันคือมุตติธรรมพัฒนาขันนี่ไม่บัญญัติว่าจิต ด, ด้วยเพราเหลือวิสัยที่จะบัญญัติแล้วส้อุปาเสสนิพานบัญญัติว่าจิตอยู่เพราะความหลัง มีชีวอยู่อาศัยขันทะศน์ยากุเบกอู่เมื่อสิ้นลมปาณแล้วพวามแม่มันหติว่าจิตจึงถ้าเหลืวิสัยที่จะบัญญัติเพราะกลายเป็นธรรมอันไม่ตายไปแล้วเป็นอมตะธรรมไปแล้วเป็นอมตะท่าท่าที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับอินทรีย์ที่ไม่เกิดไม่ดับขันที่ไม่เกิดไม่ดับนิพพานขัน ใน ม, มุติยานะทัศานคันจะรู้หลุดอยู่หรือไม่อนุปาทิเสชนิพานจะปรากฏรู้อยู่หรือไม่ไมท่านผู้เข้าแล้วท่านผู้ไปถึงชนิพานท่านปรากฏรู้อยู่หรือไม่ถ้าปรากฏรู้อยู่มันก็เป็นนามกันอมันกลายเป็นธรรมใช่แล้วมันเป็นอาที่จะมาบัญญัติว่ารูไม่เหมือนไม่เหมือนสาปาทิเสชนิพานที่ยังคองขันอยู่จะบัญรติว่าตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่ถูกคือท่าน พอหมดปัญญะไปแล้วพอหมดสมมติไปแล้วพอหมดที่ตั้งไปแล้วเปลวไฟันกําลังลมเป่าเมื่อดับไปแล้วก็ไม่เป็นหน้าที่ว่ายืนยันว่าเปลวไฟจะไปตั้งอยู่ที่นั่นที่นี่หรือควันของเปลวไฟก็ดีหรือเชื้อของเปลวไฟก็ดี mm hmm. เอสาวันโต ท, ทุ ก, ก, จกทขจักเป็นที่พุกธเถียงกองทุกพระนิพพานพูร้รูหรือไม่พระนิพ่านไม่ใช่พู้รู ผู paid, um. ้ร si ู no speak, no ้ประจักษเป็นนามขันเกิดดับเป็นเหมือนกันจะรู้ละเอียดสักเพียงไหนก็เกิดดับเป็นเหมือนกันผู้รู้เมื่อผู้รู้เกิดดับเป็นจิตก็เกิดดับเป็นเหมือนกันจึงเรียกว่าจิตตะสังขารเหตุท่ะนั้นจึงว่ารูปจิตเจตสิกนิพานเมื่อบัญญัติว่าจิตเป็นนิพานจิตต่างหากนิพานต่างหากผู้รู้ต่างหากนิพานต่หานิพานไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่พระนิพาน เป็นของเหลือวิสัยที่จะพลาดคเนเดาโดนแต่ เ, เป็นของเหลือวิสัยของท่านผู้หลุดน้นแล้วขกกองนาควาแต่เป็นเหลือวิสัยของผู้ที่พวกเราอย่างไม่รุดพ้นถ้าพวกเรารุดพ้นแล้วก็เป็นของเหลือวิสัยถ้าหากว่าเป็นของเหลือวิสัยการวางพระพุทธศาสนาก็เป็นโมคะ เราที่พ่นโซเดียมก็มากกว่าไม่ ท, ท, ามาามทิ้งไม่ใช่ท่อมหาสหมุทรสีมหาสมุทรทำไมถึงมีผู้คนก็ได้ก็เพราะมันไม่เหลือ ว, วิสัยของผู้สร้างบาลมีแก่กล้ามาผู้มีบาลมีอ่อนก็เป็นของเหลือ ว, วิสัยผู้มีกำลังมากก็แบกของหนักได้ผู้มีกำลังน้อยก็เป็นของเหลือ ว, ว, วิสัยแต่มันเหลือ ว, ว, วิสัยของผู้มีกำลังมากกาลังสติกำลังปัญญา ปัญญาเกิดเพราะอบรมปัญญาไม่เกิดก็เพราะไม่อบรมสติเกิดก็เพราะอบรมสติไม่เกิดก็เพราะไม่อบรมทิงสมาธิพออันเดียวกั น, ท, กนกท้าวิจารพระองค์ีกระตางท้าวหงเปร่าทำให้ว่าทศทั้งหลายผู้ยังเป็นโลภีและผู้ที่จะปั้นหน้าให้เป็นตั ว, วท้าวนิพพานายะว่าพิเรนหาทางพิเศษออกไป นัข ก, กขานเปสัชยา ก, ก็วางเฉยพักชั่วขราวแต่ไม่ติดอยู่เพราะงานยังมาแรีกนักจารนรงค์ใกปัญานก็พิจารณาอเนสัตติแล้วได้เจริญตอนไหนบ้างไม่ทำให้แจ้งแล้วหรือ ย, อยังไม่เจริญยิ่งแน่วหรือ ย, อ ย, อยังไม่รู้แล้วหรือยังไม่หลุดพ้นไปแล้วหรือยังหลุดพ้นไปเป็นกันตอนอยังอะไรอีกบ้างหลุดพ้นไปทั้งหมด เหยียบเล็บความล้มของตอนได้ช่านไหนบ้างนี้เหยียบเล็บของตอนได้หมดแล้วชนะตนแน้ชนะควหมล้ของตอนแล้วหรือยัง่เรียว่าตรวดอริยะสัตติไม่ใช่ตวจามปรยิยสุขเป็นผลของท่านเมไพทนเมตไพรเป็นใทุกเกิดนี่รีเป็นผลผลขอ ง, ของมรรคมรรคเป็นเหตุให้ถึงนิโรธไม่ใช่จำจำได้เฉยๆตรวดูในจิตในใจของตนจริง มันมีเครื่องทดสอบอยู่ทุกๆประการเราปฏิบัติมานานราคะกระทบเราขนาดไหนหรือมันมีเฉื่อเยหรือเบาไปไหมโทสะกระทบกระเทือนเราขนาดไหนหรือมันกระเทือนเลยมันก็มีเครื่องทดสอบเหมือคกันโมหะเรารู้ตามเป็นจริงแค่ไหนเราปฏิบัติตามเป็นจริงแค่ไหนแล้วล้พ้นเบียงแค่ไหนมันก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันทดสอบตนเอง ตนยังสงสัยอะไรในลูกตนยังหวังอะไรในล altung, ูกตนหวังอะไรในสังขารหรือตนไม่หวังอะไรในสังขารเป็นหน้าที่ของเราจะ ต, อ, ตอบเราเองนะคนอื่นตอบให้บางทีก็ให้คะแนนเกินไปบางทีก็บุกเกินไปทำไมสาันทิษที่โกเป็นสันทิษที่โกทั้งพ้นและไม่พ้นเมื่อไม่พ้นก็รู้ว่าไม่พ้นก็เป็นสันทิษที่โก้อัห น, นึ่งเมื่อรู้พ้นไปเป็นนตอนก็เป็นสันทิษที่โกอันหนึ่ง เมรื้อเพลินไปหมดจนสิ้นเชิงก็เป็นชั้นทิฏฐิโกถึงสามสี่ชั้นครบมรรคครบผลมรรคเหตุก็เหตุครบผลมรรคแปลว่าเหตุว่าเจตนาของผู้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์มันก็มีเจตนาเดียวเทนั้นเมื่อมีหลายเจตนาเจตนาเพื่อคนทุกข์เท่านั้นเมืเ่อเจตนาเพื่อคนทุกข์มีกําลังมากแลก้วเจตนาอื่นไม่สามารถ ที่จะมาชักจูงให้เจตนาอันนี้ไปได้เหตุไหนจึมีเจตนาเพื่อคนทุกข์ก็เพราะเห็นใคยอย่างทันทีก็เพราะได้พิจารณาอย่างทันทีแล้วมันไม่มีสิ่งที่จะเอื้อเพื่ออะไรพอไว้ใจได้ในวัฏจักรสามอันนี้ไม่ใจในชีวิตก็ไว้ใจไม่ได้น้าใจเข้าแล้วไม่ออกก็ต้องสมมุติถูกสมมุติตายเมื่อยังหาใจเข้าออกอยู่ก็ถูกสมมติที่ยังมีชีวิตอยู่ ช่วชีวิตก็ลมให้ใจเข้าออกชั่วขณะจิตก็ยังเร็วกว่านั้นอีกขณะเจตสิกที่นึกคิดที่ปรุงแต่งแฉกสรรมันก็ปรุงอันเก่ามันก็แต่งอันเก่ามั่นโกวันทางอันเก่าของมันสิ่งที่มันเคยปรุงแล้วแต่งแล้วเพราะมันชํานาญเพราะมันเป็นเจ้าสังขารเพราะมันเป็นนายชาติมนักเสียงปีนิบินนติทำมสุปีนิบินนติ ก็นายใจนายทําที่มาเป็นคู่ขับใจธรรมารุมทั้งปวงผลที่สุดก็คือนายความเข้าใจผิดของตนนายใจก็ยังใช่ใจอยู่นายธรรมก็ยังใช่ทําอยู่นายความเข้าใจผิดที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเข า, เ ป, เ, ขาเป็นแสบเป็นบุคคลโลกทั้งหลายเข้ามาแย่งกันเป็นเจ้าประเทศนั้นประเทศนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะอุปัติอาธิอุปาทิตคือเลีแต่ผู้ผู้จิตสูงใจสูงแล้ว ก็ปล่อยก็วางก็เป็นธรรมดาเหมือนกันทำไมถึงมีการแย่งกันไว้เพราะนึกถึงกุลบุตรหลานเหลนถ้าถูกประเทศชาติที่ไม่ถือไม่มีบาไม่บุญเขามายึดร้อยจมูกไปแชนแน้ลูกหลานเกิดมาภายหลังก็จะเป็นทุกข์มากเพราะมันมีพ้นทางที่ป ฏ, ป ฏ, ป ฏ, ป ฏ, ปฏบิบัติเพื่อคนทุกข์มันก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง มีรัฐบาลมีพระบรมราชามีปกครองเนี่ยหนากันไปเป็นพื่แผนถ้าว่าความเห็นเป็นอันเดียวกันการแย่งกันก็ไม่มีถ้าถือศาสนาพุทธหมดการแย่งกันก็ไม่มีการแย่งศาสนาแย่งธรรมะกันก็มีติดกันบ้างแต่ว่าผู้ปฏิบัติเคร่งปฏิบัติยอนเท่านั้นในโลกนั้นมันเป็นสงครามศาสนานนั่เองสงครามกันในยุคใดก็สงครามศาสนาเพราะความเห็นมันแตกกัน ความเห็นมันเป็นศาสนาเป็นสักลศาสนาความเห็น เ, นน เ, นนนเนข้าใจผิดพวกหนึ่งก mm. ็เข้าใจผิดแบบหนึ่งพวกหนึ่งเข้าใจผิดแบบหนึ่งพวกที่เข้าใจถูกสูงแล้วยเขาก็ไม่ยอมไปเป็นพักกับพวกที่เข้าใจผิดถือว่าไม่มีวิไม่มีบุญไม่มีบาปนี่ศาสนาอื่นๆมันเป็นโลกิยะศาสนาเสียทีศาสนาพุทธก็ไม่ยอมเข้าเพราะถือว่าตำจ้อยเพราะถือว่าศาสนาอื่นเป็นโลกิยะศาสนา เหตุฉะนั้นจึงหวงศาสนาะจึงหวงชาติจึงหวงพบกันไว้เพื่อเราปลูกเรืนหลายแต่ผู้กิเล น, นออนก็ปล่อยวางเอาตนรอดนี่เม่ว่าให้ตามกรรมของสัตว์เสียสลื่อนถ้าไม่วางก็ไปไม่รอดเด็กเหมือนกันจำเป็นก็ต้องวางเหลือวิสัยแล้วนี่ไประก ม, มณนณาวัตติโลกูสัตโลกเป็นไปตามกรรมโลกที่เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามโลกียกรรมบ้างโลกุตตระกรรมบ้างเป็นไปตามกรรม ที่จะสูงส่งขึ้นสวีขึ้นก็คือคำรรพระสาวาัสดิบาลค ร, รพระสัตตะกา ร, รมีคำพราอนาคารมีจะสามารถถึงอนัตตาผลเหนือรองนั่นก็เป็นกครำรวนคำเวียนเป็นพืชวนพูดเวียนเป็นเหตุเวนวนเหตุเวียนเป็นกิริยาที่วนเวียนในวัาสงสารนานเป็นหนอกบัวใจน้ำพอทึษาซื้อศ า, ส, าสนาพุทธแล้วก็เป็นหนดอกบัวสมัยน้ําและเป็นตูมบ้างแล้แต่ก็มียิ่งมีหยอดกว่ากัน พวกถือศาสนาพุทธอยู่แต่ยังลังเลอยู่แต่ยังคบศาสนาพุทธมาแต่พวกที่ยังถือว่าอบายยมกทุกประเภทจะมาแก้แท่นให้ได้เช่นบัตเบอร์โบกเบีย้ยนอการพ น, นันเชนญปรากัดปลาโดนไก่แช่งมาแล้วนี้ก็เกดพวกเรานี่ก็เป็นโลกีไม่ใช่โลกุศลเป็นศาสนาโลกี ยังไม่เข้าถึงว่าพุทธศาสนาผู้เข้าถึงว่าพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันกันพวกเดียวจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่จะไม่เป็นปัญหามันหมายถึงอายุสังขารไม่หมายถึงเพศละวันละไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หมายถึงชาติเมื่ได้หมายถึงชั้นไม่ได้หมายถึงวันละไม่ได้หมายถึงมุ่มแก่หมายด้วยสติปัญญาที่เห็นธรรมเป็นประมาณโชคที่ยังหวังรวยในเรียกในพลาในบัตรในเบือง พวกเรานี่เป็นโลกีศาสนาถึงจะถือศาสนาพุทธก็ตามแต่ก็ยังไม่เข้าถึงจะเป็นพระบวชกี่พรรษาก็ตามจะมีผู้นับถือหรือหาดุ่งดังสักเพียงไหนก็นตามจะมีลาบวันละกี่รนาคก็ตามก็ยังเป็นโลกีอยู่ถ้ามีความคิดความเห็นอย่างนั้นถ้าพูดนั้นไม่มีความคิดความเห็นอย่างนั้นแม้จะบินทบา ด, ด้วยปรีแขลงก็ตาม จะถือกระเบื้องขอทานถือกระ บ, บาลขอกินสับเพียงไหนก็ต่างก็เป็นโลกุรตระลกิจโลกุตระลธรรมส่วนชาติชั้นวันลนะราบยศมาเป็นปัญหาอะไรเพราะพระพุทธศาสนาเนขึ้นอยู่กับราบน้อยราบมากลาบภายนอกโสดาบันสัคตาคามีอนาคามีเป็นมหาราบอยู่แล้วเป็นมหายศอยู่แล้วเป็นมหาเสนเสริญอยู่แล้ ว, ลวพ่อหน้ปาป่าเสนเสริญพ่อโลกุตระละสนเสริญ เป็นมหาทรัพย์อยู่แล้วคือโลกุตระทรัพย์เป็นมหาปัญญาอยู่แล้วคือโลกุตระปัญญาเป็นมหาศีลอยู่แล้วคือโลกุตรศีลเป็นอริยทรัพย์อยู่แล้วคือโลกุตระทรัพย์ทรัพใจทรัพย์ธรรมทรัพย์จำพวกนี้โจรลักไม่ได้ไฟไม่ไหม้ทรัพย์ต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาโจรลักได้ไฟไหม้ได้จิตใจก็ยังวกแวกทรัพย์ภายใน มือนไม่รอยนะ้ำหมูมากก็ลากไปเด่นหมูมากทางไหนก็เข้าเลยถ้าถึงประโสดาบานแล้วนในแต่ละกระหะใครจะไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรตามเราไม่มีที่กินที่ทานแล้วก็ภาวนาตามตัโซเป็นโซตายอย่างนั้นพวกมักเหตุฉนัยว่าพุทธศาสานาจะมีผู้นับถือน้อยก็เพราะเหตุวเพระพุทธศาสานาเป็นของสูงเป็นของในคุณค่า ผู้อาศนนะจำต้อยทนายจะมากินดีในะพุทธศาสนาได้เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นของดีมีค่ามากศาสนาอื่นไม่ด่าดืนทมเถเป็นศาสนารับจ้างถ้ากิดเลสยังมีอยู่จะ อ, อะไรรับจ้างอีกนั่นก็ยินดีแต่เวลาได้เวลาไม่ได้มันกดไม่พอใจในศาสนาเพราะพุทธศาสนามเป็นอย่างนั้นเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงศารอย่างเต็มที่ด้วย เห็นคุณพระพุทธธรรมพระสง์อย่างเต็มที่ด้วยเห็นการปฏิบัติเพื่อรุดพ้นอย่างเต็มที่ด้วยเห็นเองปฏิบัติเองมีอิสระเองเหตุฉนั้นพระพุทธศาสนาจึงมาเป็นพระพุทธศาสนาที่รักจ้างแล้หม่บางครับเป็นเพียงแนะนำให้ฟังเฉยๆชี้ทางบอกเมื่อชี้ทางบอกแล้วเขาไม่ไปก็ไม่มีการจ้างให้ไปเมื่อบอกให้เขาลื่มอาหารเมื่อเขาไม่ลื่ม ก็ไม่มีอาการที่จะจ้างอีกก็ว่าไปเป็นกรรมของสัตว์ท่านั้นเมื่อบอกให้เขาสนเข็มเมื่อเขาสนมาได้ก็ถือว่าเขาเป็นคนตาฟางเท่านั้นจะไปสนแทนให้คนแทนได้ได้คงเดียวเท่านั้นแทนจะแทนยังไงแต่ซนเข็มก็ยังมาเป็นทําไมจะแยกเป็นทีนี้นาถีพาราปเร น, นายากล่าวคนพามาใช่คนหัวหน้าบันทิตาปเร น, นายาก่าวบันทิตานั้นเป็นคนหัวหน้าบันทิตในที่นี้หมายถึงพระเจดาบัน คนพานในที่มีหมายต่ำกว่าพระโสด า, าบันลงมาบัรทิปก็เป็นนักบาตในจิตของตนคนพานก็พาจิตของตนพานความประพฤติของตนนั่นเองคนยินดีในชาติได้พบก็อยากจะเกิดหลายชาติแล้วพบก็คือคนพานคนหลงของตนคนพานตนคนหลงตนเพราะยังมืดมนอนท ก, การอยู่ยังเป็นพระมูลกรรมกรรมชินอยู่กรรมชินในทางที่เป็นโลภีไม่ใช่ไม่ใช่กรรมชินในทางที่เป็นโลกุตละ กรรมชินในทางโลกุตระหมายถึงพระโสดาบันาาสัคตาคามีนาคามีส่วนพระอรหันต์พ้นจากกรรมชินไปเสียแล้วไม่จัดเป็นกรรมเป็นอโหติกรรมไปเสียแล้วพระโหลกรรมไม่ได้จัดพราะโหรรมกรรมชินแบ่งเป็นสองทางแบ่งเป็นโลกีอย่างหนึ่งเป็นโลกุตละอย่างหนึ่งมานห้าขันธมา ร, มารคือปันกัณฐ์โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมานเหมือนกันมาในที่นี้หมายความมันไม่เีที่อยงอออเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าต่าจะสลายเรียกว่ามาร ที่นี่เมื่อกิเลสเมื่อไปยินดีในลูกขันนามขันกิเลสมานเป็นของสำคัญขันจะมามานคือจะปั่นจะขันกิเลสมานมานคือกิเลสอภิสังขารมานมันคืออภิสังขารเทวบุตรจมานมานคือเทวบุตรมัจจุมานมานคือมรณะมัจจุมานมานคือมรณะช้ามารถจะได้อรหัตตะมักอรหัตตผลในชาตินี้แต่ว่าความปฏความตายเป็นมานมาก่อนใช่ มัดจุมานมันคือมรณะเหมือนอนาลาดาบทุสตาดาบทุสถ้ายังมีชีวิตยอยู่ก็สมมด็จพระรหั น, นชาตินี้แต่ตายไปเสียแล้วเจดวันแล้วเจ็ดดายหนอเจ็ดดายหนอพระบรมสาสณาพระบรมสาสณาเห็นพระคุณพวกนี้นะจึงมุ่งจะไปตอบแทนคุณเพราะได้ไปเรียนไ ป, ไปศึกษาเพราะพระบรมสาสณาไม่หากินทางคัดค่าพวกนั้นยืนยันว่า สมาบัดเจ็ดสมาบัดแปดนี่ที่บริกรรมว่าเป็นผู้มีชัญญยาเขไม่ใช่เป็นผู้มีมีชั้ญยญาเขาไม่ใช่เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้มีมีความจําก็ไม่ใช่เป็นทางรดพ้นพระบรามศาสานาไม่ห้จินทักค่าปฏิบัติให้เหมือนพวกนั้นให้ได้ดื่มรถเหมือนพวกนั้นอีกเหมือนกันขอถือว่าอันนี้เปรี้ยวพระบรามศาสานาไม่คัดไม่คัดค้านก็ต้องชิมดูเขาบอกว่าเกลือนี่เค็ม เราะบมศาสนามันมนั่ดาดนี้เฉยต้องเอาแสะปากชิมดูเหมือนกันเรียกว่ามัดจุมานมานคือมันอย่านีเทวุตตมานมานคนะือเทวบุต ร, าา ร, บ, ตรบางท่านแก่ว่าเทวุตตมานแก่ไปทางอื่นเคลไปเราไม่พอใจเพ่อประพฤติพ่อไม่จันหวังเพื่อเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีหลังเป็นเทวบุตรเทวดาก็าดีอินชมยินยับก็ดีก็ไม่สามารถคนทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่ว่าพอเป็นมิตรังนี้ ก็เร <chat> ียกว่าเป็นมารอันเพราะไม่สามารถทนทุกข์ในปัจจุบันชาติได้เพราเป็นมารปุญญาพิชังขานอปูญญาพิชังขานอปุญญาพิชังขานก็คือบาปอภิสังขารสามขันธมารมารคือปัญญขันกิเลสมารมารคือเกดอภิสังขานมารมารคืออภิชังขานอภิสังขารสามปุญญาพิสังขานในพิชังขันคือบุญอปุญยาพิชังขานอภิชังขันคือบาป อเนินชาพิจสังขารอันพิจ ส, สังขารคืออเนินชาอนเนญชาหมายความว่าสมาธิสมาบัติถ้าไปติดอยู่ในสมาธิสมาบัติยืนยันว่าสมาธิสมาบัติเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาบัติดอยู่เพียงแค่นั้นการถอนอุปทานและอวิชาตัณหาอยังไม่มีมันก็ไม่พ้นไปได้เหตุฉะนั้นจึงว่าจัดว่าเป็นมารแต่ว่ามารทั้งห้าขันธมารมารคือปัญจขันธกิเลสมารมารกิเลสพิจสังขารมารมารคือเป็นสังขาร เทวพุธตธามารคือเทวบุตรมรณามา น, มานคือมารณะถ้าชนะกิเลสมารแล้วก็ชนะมานชั้นสี่นะในหมดชนะกิเลสมารในที่นี้หมายความว่าชนะโดยสิ้นเชิงไม่ได้หมายว่าชนะในชั้นพระโสดาบันชาติชาตมีอนาคามีชนะกิเลสมารชั้นพระอาหารหันต์นี่สามารถพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติหลักที่ไม่ยินดีในโลกทั้งปวงมันก็มีหลักที่ไม่เที่ยงเป็นเจ้าหัวใจอยู่หลักที่เป็นทุกข์ หรักที่ไม่ใช่ตัวตนหรักอันนี้หละเป็นวิพัฒนาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาใครจะภาวนาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ตามจะเข้าสมาธิสมาบัติอะไรก็าตามถ้าไม่มาพิจารณาสถานีรวมนี้แล้วก็ไม่สามารถรุดพ้นได้จะถึงพระโสดาบันจะถึงพระรจ้าคามีจะถึงพระอนาคามีจะถึงพระอรหันต์ก็ยกขึ้นสู่ตายักหมดแต่ส่วนจะยกขึ้นเป็นเมืองนิด หรือช่วงขณะจิตเดียวหรือสองขนะจิตหรือติดกันเป็นอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเต่ลรายของผู้นั่นจะเห็นจะเบื่อหน่ายจะคลายมองเองก็ทำที่ทําให้พระโกนทัญยัถึงประชวดาวันก็คือยังเป็นจิตสมุทัยธรรมสับพันจายโลจะทำมันติดจริงในสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั่นทั้งหมดมีความดับสนเป็นธรรมดาโดยใจความก็คือเทเรื่องสันทายเทเอ้นจังโดยจงทรงเมื่อพระโกนทัญยัเห็นรัด คนทันย่าตัวรู้ตามเป็นจริงที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นอนิจจังทัดน์นั่นเองเมื่อเห็นอนิจจังทัดได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วสัจาคามาามีอนาคารมมีอรหันต์ก็อยู่ในอุงมืออยู่นี่พอเห็นหนทางเดินข้ามแล้วขึ้นสะพานแล้วขึ้นสะพานพุทธต้นสะพานพุทธจะข้ามน้ำเจ้าพญาแล้วสารเล่มหมดขโมยคันลาที่แสดงทาง แ, แก่กันเที่ยวัส สะอาดแชี่แสดงก็แสดงอ น, นิจจังไม่ใช่แสดงอันอื่นใครเขาก็รูจนน้จักอนิจจังเหมือนกันทําไมทําให้เป็นพระหัต์หมดเขาเคยหูโกหกปากก็มีเขาไม่พอใจพิจรารณาไม่เฉลดสทังเวทในเขาเคยหูโกหกปากเขาก็ว่าไปผู้ที่ผู้ใดที่เห็นชัดเห็นชัดด้วยแล้วมีอะไรเป็นเครื่องวัดอีกก็มีสิ้นห้าเป็นเครื่องวัดก็มีอวัยวะมุขทุกประเภทเป็นเครื่องวัดอีกมีการค้าขายที่ไม่ชอบทำเป็นเครื่องวัดอีก สายเครื่องระหารค่าขายจัาายยเป็นในเรื่องสารพิษตัวฆ่าเผาเป็นอาหานก็าขายน้ำมานค่าขายยาพิษไม่มีในพระโสดาบันโสตาโสตาเ ป, ป็นะแปลว่าตาปัญญาทำไมจกักอันนี้ไม่ใช่จักระทำไมจักรสุคือดวงตาที่เห็นธรรมตัวฤกษ์ฤกสีกําลังนทำไมจักปญญานนไม่ใช่ทำทำไมจักระไม่ใช่กลไกและเคร่องจับไฟนอกทำไมจักรสุคือดวงตาที่เห็นธรรมดวงตาปัญญา ปัญญาจัตุจัตุคือปัญญาสมันจะจัตุจัตุคือรอบครอบเชื่อไปจะคุยจะคุทิพตุเตจักุจักุของพระพุทธเจ้านางสาจัตุจัตุคือดวงตาวเชื่อไปจักุจักุทิพพุเตจักุจัุของพระพุทธเจ้าปัญญาจักุจัตุคือปัญญาสมัญจะจัตุจัตุรอบครอบจัตุรอบครอบพอดีปัญญาจัตุพอดีก็อันมีความหมายอันเดียวกันความรอบครอบก็คือปัญญาอยู่ตรงๆ วันคืนของผู้ตื่นด้วยสติเป็นวันคืนที่มีคุณค่าวันคืนของผู้ไม่ไวใจในชีวิตวันคืนของผู้ไม่ไวใจในวัฏทรงสารเป็นวันคืนที่มีค่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นขณะที่มีคุณค่าเป็นกาลันยุตาที่มีคุณค่าเท่าด้จักการเวลาอยู่เสนอ ผู้ตื่นนี้ด้วยสติโพเทตาถึงผู้ไม่นอนใจในวัฏสงสารโพเทตาผู้ตื่นอย่างเต็มที่ก็คือพระละหันผู้ตื่นเบื้องต้นก็คือพระโดาบันเบื้องกล า, กางพระทาคามีนาคามีเบื้องท่าคือพระละหันพุโธเบื้องต้นพระโสดาบันพุทโธเบื้องกลางพระสกทาคามีอนาคามีพุโธเบื้องพุทท้าพระละหันทัาโมสั้งโคลป็นเหมือนกัน สังโฆบางต้นคืพระโสดาบันสังโฆท่ากลางก็คือพระเจะาปทาคามีอนณาคามีสังโฆในวังท้ายก็คือปฏิบัติชอบที่คือพระละหันท่านมีกี่ประเจ้าปโนมัตเธกรณยานังไพโรในเบื้องต้นคือพระโสดาบันอธิกรณยานังไพโรในเบื้องต้นคือพระโสดาบันมัตเธกรณยานังไพโรในท่ากลางคือพระจ้าปทาคามีอนาคามี ไปโยภาษานกัณยานังพเราะในที่สุดท่าคือพระทหารสมาธิของพระโสดาบันเป็นโลกุตระสมาธิจะเป็นขณิกะสมาธิก็ตามจะเป็นอุปจารสมาธิก็ตามเป็นโลกุตระเพราะมียานสัมปยุตต่างกันจะเข้าถึงจะทุตไทคารก็ตามอาตาสารัญจายตนะหนญานัญจายตระอะไรก็ตามเถิดเพราะมันผิดกันมียานสัมปยุตต่างหากเพราะสังวรมันขาดนี้ไปต่างหาก เขาพวกนั่นไม่ได้เอ่อยถึง พ, พระพุทธธรรมประสงค์เลยไม่ได้มอบกายสวายชีวิตต่อพระุทธรรมประสงค์เลยเข้าฌานกันดื้อๆซือตามลัิศาสตาอื่นอัญชันตุเทศถือาศาสดาอื่นจะเข้าฌานในสักเพียงไหนก่อสรางก็เป็นโลคีอยู่ เ, เท่าก่อเพราะมันผิดศรัทธาเพราะไม่เพราะเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อทรัพรยพพ์ก็เป็นโลคียาทัพฮินิโกเป็นโลคียาฮินิโอตระปะก็เป็นตระปะ กิยาโลกิยาไม่ใช่โลภุตระการ น, นั่งนานก็ไม่เป็นปัญหาการเดินยโยกงนานก็ไม่เป็นปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาโดยสําหรับผู้นิสัยหยาดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละรายของบุคคลแต่เมื่อมีฉันทะวิริยะสิตธะมีมังสาตั้งมั่นอยู่แล้วก็สามารถจะถึงสิ่ง ท, ที่ต้องประสงค์ซึ่งเหลือวิสัยยุธิบาตคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สีอย่างฉันทะพอใจรับได้ในถึงนั้น วิรยิยะเพียงม uh ันประกอบในสิ <No. S 2> ่งนั้นที vy, ่ฐะเอาใจพรฝ่ายในสิ่งนั้นไม่วางทุระนี่มังสามันติจองที่จะณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุนสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจ้างนำบุคคลในสิ่งสิ่งที่ต้องประสงค์พึเหนือไม่ใสในการรักกายทุดเสรีตัวรักายสุดเสรีไม่ประมาทเองในการละวัชีทุดเสรีตัวละวัชีสุดเสในการละมโนุสุดเสรีตัวละมนุสุดเสรีในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกมันมีเตนื้อพระบรมศาสตดา อีกอย่างหนึ่งระวังใจมาให้กําหนดในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความกําหนัดระวังใจมาให้ผัดเตีงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความผัดเตียงเพื่อบันเทาความกวดระวังใจมาให้มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจมาให้มองเในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโมเมานั่นก็มีความหมายเดียวกันถ้ายินดีในพระนิพพานแล้วมันจะมาโมเมาอะไรกิตใจยินดีในคนพุกในวัฏสงสารมันก็ไม่ติด ถึงทําก็ทําในความจําเป็นไม่ถึงกับคิดอยู่เลยเถิดลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งมี ท, มทั้งมรคนิพพานด้วยมีทั้งทำอันไม่เกิดไม่ตายด้วยหายใจเข้ามีทั้งมรทั้งผลเหตุที่หายใจเข้าผลที่หายใจเข้าเหตุต้นลมผลก็ต้นต้นลมเหตุกลางลมผลก็กลางลมเหตุใต้ลมผลก็ทใายลมเวลาออกความือนกันจะชัดกับชัดกันที่นั่น แล้ชัดในทําหัวในไหนก็ต้องชัดกันที่นั่นสนามนั่นเอาเอานั่นเราเป็นสนามเอานั่นเป็นหอประชุมเป็นหอสังสรรค์ลงเข้าลงออกเป็นหอสังสรค์เป็นหอประชุมเอาเป็นที่วิเวกเอาเป็นป่าสงบเอาเป็นที่วิเวกว้างเวงเอาเป็นสมอระพูมคือลมหายใจเข้าออกเอาเป็นวัดป่าเอาเป็นอารันยูกาวาสแปดมื่นสี่พระธรรมขันนีมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหมด นักขนที่ผ่านก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกหมดศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกหมดสังขารก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกหมดวิสังขารก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกทำทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ธรรมมาธรรมทั้งหลายฝ่ายที่เป็นสังขารก็มีอยู่ทรงอยู่ทุกการฝ่ายที่เป็นวิสังขารก็มีอยู่ทรงอยู่ทุกการส่วนจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่รู้แต่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหรือไม่รุ้ท้นตามเนจริงหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่แต่ละลายของบท่านแต่ละบุคคล ถ้าสติแข็งปัญญาก็แข็งศีลก็แข็งสมาธิก็แข็งปัญญาก็แข็งทำอะไรให้มีสติปัญญาวิรามาดาเคยบอกบอกเราถ้ามีสติมันอยู่ตอนไหนปัญญาตอนนั่นก็มีเรื่อนสติที่เป็นโลกีสติหรือโลกุตตะลสติมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละลายควาบุคคลอีกเหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันศีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันปัจจุบันก็เหมือนกัน ตางก็อ้างปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นโลคีก็มีปัจจุบันที่เป็นโลคุณตะก็มีปัจจุบันที่เป็นโลคุณตะก็นับตั้งแต่ปัจจุบันกระัวดาวันเป็นต้นไปปัจจุบันของพระละหันเป็นปัจจุบันที่จบสิทธิ์แล้วแล้วไม่ยึดถือในปัจจุบันด้วยและไม่สอดแทรกว่าปัจจุบันเป็นตนนเปนปัจจุบันรู้ว่าไม่สอดแทรกว่าผูรู้ในปัจจุบันเป็นตนตนเป็นผู้รู้ในปัจจุบันด้วยมีงานทำประโยชน์เสมอเสมอไม่ต้องบังคับไม่ต้องลบาก พ่อยทำามแล้วชายคนหนึ่งเหมือนกันจะถามพระบรมศาสดากราบเกลพระบรมศาสดาสทำไมถึงตอบในช่วงทีแท้พระบรมศาสดาท่องไม่ดอกหรือม่ได้กรรมอยู่หดอกหรือเตรียมตัวอยู่ดอกหรือเออเราไม่ได้บริกรรมเราไม่ได้เตรียมตัวอยู่ดอกเราจะจ้องถามเธอเธอกําลังทํารถหรือยานี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรดุมของมัน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรกรรมของมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคงของมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเผ่าของมันคุณก qu ็ด <ichi> ra ีเธอก็ดีค <c lusive> <BLE> ุณได้ท่องไว้หรือทําไมตอบประธานนั้นได้ไม่ได้ท่องเหตุจะไหนจงตอบประธานนั้นได้ก็เพราะชานาญในเจ้าพระเราจะถาก็คงอันเกันก็เพราะชานาญไม่ได้ท่องไว้ก็มาช้าลมหายใจท่องออก ดึงกรรมฐานแปดมื่นทีพระธรรมขันมาได้หมดไม่ว่าแต่กรรมฐานสี่ชิ้ห้องละแปดมื่นทีพระธรรมสี่พันพระธรรมขันนั้นเป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างถ้าเป็นคําเทศแต่ละอย่างละอย่างเทศแต่ละท่านแะบุคคลไม่ใช่ว่าจะเทศกันหมดให้ครบแปดหมื่นทีพระธรรมะขันถ้าหากว่าพ้นกิเลสแล้วมันครบไปเองมันถ้าหากว่ากิเลสยังไม่หงดเสียแล้วจะเรียนลบจบพระใจไปลบ ก, ก็ตาม มันก็ยังใช่ไม่ได้แต่ก่อนท่านปฏิบัติเช่นก่อนจริงปริยัติทีหลังระหว่างตาของจมูกเรียนกายใจมาให้ยินดียินได้ในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิก่นเห็นรถถูกซ่กกอมวัตถุาาธาตุด้วยใจรู้ธรรมารมด้วยใจอันนั้นมันเป็นตัวศีลอยู่ในตัวแล้วเป็นตัวสมาธิอยู่ในตัวแล้วมันเป็นตัวปัญญายอยู่ในตัวแล้วมันเป็นแปดหมื่นทีพระธรร ม, มขันอยู่ในตัวแล้วสำไมจักรวรรดิชนะสูตรมันก็แค่แ8ดหมื่นทีพระธรรมะขัน อันนั้นตรัะรัตนสูตรก็แปดหมื0นสี่พระธรรมขันธ์ขยายออกดูสิขยายออกจากรูปเวทนาสัญญาธรรมฐานยินยา น, ายานอันนั้นก็ขยายออกจากรูปขันธ์นำขันธ์ดูสินะแต่ในสูตรใสูตรก็แปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ทั้งนั้นหน้าโมตัวเดียวก็แปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์นอ่น้นอมจนไม่มีราคาโทสะโมหะก็แปดหมื 8, ่นสีพระธรรมขันธ์แล้วพุทธังเทรนังขชามีก็แปดหมืนสีพระธรรมขันธ์ คมจนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถึงใจชนะคมแปรทับทถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์อย่างเต็มที่ถึงพระนิพพานอย่างเต็มที่ก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เพราะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็เปลกเหมือนกี่พระธรรมมาขันเขาเรียกเอากราบว่าจนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จบพระไตรปิฎกอยู่ในตัวกระดูกอันเดียวท่อนเดียวก็จบพระไตรปิดกถ้าไม่ลงกระดูกทีนี่ผมขนเลือฟันมันก็ไม่หลงมันตัน ถ้าำกำลังกระดูกมันก็กำลัดผมขนเล็บฟันมันต่างนะทางคนก็ต่างถ่ายอุจจาระพัฒน์เสวะใส่นี่ทางคนก็ต่างสาวไส้ออกมาดึงไส้ออกมากองไว้นี่มันจะมีกลินและสียังไงนี่เรียกว่าอสุภกรรมฐานในท้องของเรามีอะไรบ้างในลําไส้ของเรามีอะไรบ้างช่องหูของเราทะลุตบทางนี่อีก ช่องแก้วหมูก็พัฒลุกันมันสมองของเราถ้าทุบออกจะมีลักษณะเป็นยังไงกลิ่นและสีจะเป็นยังไงตัดแข้งตัดขาออกเอามากองไว้สมมติไปรากระดูกเอามากองไว้สมมติว่าตายวันหนึ่งสองวันห้าวันเก็ดวั น, ว น, วนมีน้ำเหลืองออกมมหนอนไต่ตามรูจมูกหรือช่องหู สร้างากสมมติว่ายังไม่มีใครเผาแล้วไม่มีใครเอาไปใส่กระโลงเลยทิ้งเกินกาดอยู่มีแร่งเอกามากินก้าก้าก้ามาจิกตาไปกินจิกนอนไปกินมาแรงวันตอมออกวอดมีนอนคลานคาค่ำคานอยู่ออกไปทวันหนักก็มีนอนเจาะน้อนชัยเข้าไป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 แล้วก็สมมุติว่าคนคนคนคนสัตสัต ส, ต ส, ตสตับุคคลตัวตนเราเขามีธาตุสี่เด่นน้ําไฟลมประชุมกันน้ําลายขากออกมากองไว้รวมกันเขา้าอุจจาระของพวกเราถ่ายออกมานีแต็มไส้ของพวกเราก็สาวออกมาเต็มเต็มสลายกระดูกกระมันกันอะมีธุระเกี่ยวของจะเข้ามาเข้ามาเพรามีธุระเกี่ยวของก็แล้วไป พอมาพรท่านตื่นขึ้นมาก็ไปตามตาไปตามหูไปตามจมูกไปตามลิ้นไปตามกายไปตามความทุกข์ที่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเงินต้นเงินปลายถึงทั้งหลายที่ว่าสังสารวัตชั่วโมงหนึ่งหาใจเข้าออกกี่ข้างชีพจรเดินกี่ข้าง